2. กาลสังสังนตนะว่าด้วยการเทียบเคียงการ283รสกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาที หากอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่สักวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สักวาร์ทีอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏม่ใช่หรือประวาทีใช่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 อนาคตเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปลผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมประวาทีใช่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 ยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมประวัติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น284ร้สกาวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวัติใช่สกาวาทีรูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วไม่ใช่หรือ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 ใช่สกาวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบางเกิดแล้วบางเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาที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 สกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วศูนย์ไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วไม่ใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากวิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่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 วิญญาณที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปยังไม่ดับศูนย์ไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตยังไม่ดับไปยังไม่ดับศูนย์ไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย exactly. ว่างนั้นสกวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันเกิดแล้ว เกิดมีแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาธีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตเกิดแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีวิญญาณที mm ่เ hmm. ป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันดับไปแล้วดับศูนย์ไปแล้วใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันยังไม่เกิด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 มีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเมื่อดับไปก็ละความเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีละความเป็นรูปไปด้วยใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อบัญญัติว่าปัจจุบันกับรูป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 มีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผ้าขาวเมื่อถูกย้อมย่อมไม่ละความเป็นผ้าไปด้วยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีไม่ละความเป็นผ้าขาวใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น286สกวาทีรูปไม่ละความเป็นรูปใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีรูปเที่ยงยังยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปละความเป็นรูปได้เพราะเหตุนั้นรูปจึงไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรวาทีใช่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 รูปไม่ละความเป็นรูปเพราะเหตุนั้นรูปจึงชื่อว่าเที่ยงยังยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ส, สกวาทีรูปไม่ละความเป็นรูปเพราะเหตุนั้นรูปจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีนิพพาน ไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนัน้นนิพพานจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ย่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวนะอย่างนั้ STALK. นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตมีอยู่อนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาทิใช่สกาวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีอนาคตมีอยู่อนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมประวาทิใช่สกาวาทีอดีตมีอยู่ อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีอดีตเที่ยงยังยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากอดีตไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่คงที่ มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตส ก, กวาทีนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่าเทียงยังยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาทีใช่ส ก, กวาทีอดีตมีอยู่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 สกวาทีนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น287สกวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาทีใช่ สกาวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปท <yll> <sa> ี <in> ่เป็นอนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 สกวาธีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีรูปที่เป็นอดีตเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม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 สกาวาทีนิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานนิพพานจึงเทียงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตรูปที่เป็นอดีตจึงเทียงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาที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 ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตไม่ละความ เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่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 นิพพานมีอยู่นิพพานไม่ละความเป็นนิพพานนิพพานจริงเทียงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปราวาทีใช่สกกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตไม่ละความเป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอดีตจึงเทียงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหม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 นิพพานจึงไม่เทียงไม่ยังยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นว จ, จะนะโสทนาว่าด้ยการสักฟอกถ้อยคําอ8รสกวาทีอดีตไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีหากอาดีตไม่ใช่สภาวะที่มีอยู่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 คำว่าสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตก็ผิดสกวาธีสภ า, า, าวะที่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันใช่ไหมปร ว, รวาธีใช่สกวาทีอนาคตกับปัจจุบันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีอนาคตกับปัจจุบันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาธีใช่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 ไม่เป็นปัจจุบันแล้วจึงไม่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีปัจจุบันกับอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัจจุบันกับอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่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 ไม่เป็นอดีตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีเป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่ักวาทีอนาคตปัจจุบันและอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีอนาคต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 ใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นอนาคตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบันและอดีตไม่เป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงไม่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอตีตะจักขุรูปาที่กถาวาดิตจักสุและรูปที่เป็นอดีตเป็นต้น2 8งรสกวาทีจักขุประสาท รูปอารมณ์จักขุวิญญาณและแสงสว่างมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปที่เป็นอดีตได้โดยจักขุประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดประสาทสัทธารมโสดตวิญญาณอากาศศรัทมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหม ประวาทีใช่สกวาทีบุคคลได้ยินเสียงที่เป็นอดีตได้ด้วยโสตประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคานประสาทคันธารลมคานวิญญาณวายโยธามนัสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลดมกลิ่นที่เป็นอดีตได้ด้วยคานประสาท ที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีชิวหาประสาสตประสารมชิวหาวิญญาณอาโปธาต์มณสิกาลที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีบุคคลลิ้มรสที่เป็นอดีตได้ด้วยชิวหาประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีกายประสาทโพทธพารม์กายวิญญาณปฐวีธาตุมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีบุคคลถูกต้องโพธพัทที่เป็นอดีตได้หรือกายประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนทวารธรรมารม์มโนวิญญาณ หายไทยวัตถุมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมประวัทีใช่สกาวาทีบุคคลรู้ธรรมารมที่เป็นอดีตได้ด้วยมโนทวารที่เป็นอดีตใช่ไหมประวัทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีจักขุประสาทรูปารมจักขุวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวัทีใช่ สกาวาทีบุคคลเห็นรูปที่เป็นอนาคตได้โดยจกกักรประสาส์ที่เป็นอนาคตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีโสดประสาทคานาประสาทชิวหาประสาส์กายประสาส์มโนทวารธรรมอารมณ์มโนวิญญาณหาไทยวทัตถุมนสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมประวาตีใช่ สกาวาทีบุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตได้ด้วยมโนทวารที่เป็นอนาคตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีจักขุประสาตรูปารม์จักขุวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลเห็นรูปที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยจักขุประสาทที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่ สักว่าที่จักคุปราสาสตรรูปารมณ์จักคูวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลเห็นรูปที่เป็นอดีตได้ด้วยจักคูปราสาสต์ที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักว่าที่โสตปราสาสตคานปราสาทตร์ชิวหาปราสาสตกายปราสาท์มโนทวารธรรมารมณ์มโนวิญญาณหาไทยวัตถุ มนสิกาลที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยมโนทาวารที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่สกวาตีมโนทาวารธรรมารม์มโนวิญญาณหัตถิวัตถุมนสิกาลที่เป็นอดีตมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตได้ด้วยมโนทาวารที่เป็นอดีตใช่ไหมประวาที ไ ม, ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีจักขูประสาตตรูปอารมณ์จักขูวิญญาณแสงสว่างมนัสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลเห็นรูปที่เป็นปัจจุบันได้ด้วยจักขูประสาท์ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีใช่สกาวาทีจักขูประสาตตรูปอารม์จักขูวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ บุคคลเห็นรูปที่เป็นอนาคตได้ด้วยจกักขรประสาท์ที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดประสาส์คานประสาส์ชิวหาประสาส์กายประสาท์มโนทวานธรรมารม์มโนวิญญาณหทัยวัตถุมนติการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันได้ ด้วยมโนทวารที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาตีใช่ส ก, กวาตีมโนทวารธรรมารม์มโนวิญญาณทันไทวัตถุมานสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่บุคคลรู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตได้ด้วยมโนทวารที่เป็นอนาคตใช่ไหมประวาตีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, กวาทีจะกุประสาท รูปารม์จะคูวิญญาณแสงสว่างมนัสิการที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นอดีตด้วยจกคูประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจะคูประสาทรูปารม์จะคูวิญญาณแสงสว่างและมนัสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นปัจจุบันด้วยจกคูประสาทที่เป็นปัจจุบันใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสดประสาสตกาณประสาทตจิวหาประสาทกายประสาทมโนทวารธรรมารม์มโนวิญญาณหทัยวัตถุมนสิกาที่เป็นอดีตมีอยู่แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอดีตด้วยมโนทวารที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที มโนทวารธรรมารมม์มโนวิญญาณหทัยวัตถุมานสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์ที่เป็นปัจจุบันด้วยมโนทวารที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจะคูประสาสตรูปารมม์จะคูวิญญาณแสงสว่างมานสสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นอนาคตด้วยจ Make ักรุปราศาท์ที่เป็นอนาคตใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีจักรุปราศาสตรูปอารมณ์จักรวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นปัจจุบันมีอยู่แต่บุคคลไม่เห็นรูปที่เป็นปัจจุบันด้ว ย, <Huh. S 1> วยจ Buck ักรุปราศาสต์ที่เป็นปัจจุบันใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาที โสตประสาทคานาประสาทชิวหาประสาทกายประสาทมนโนทวารธรรมารมม์มนโนวิญญาณหทัยวัตถุมนติการที่เป็นอนาคตมีอยู่แต่บุคคลไม่รู้ธรรมารมณ์ที่เป็นอนาคตด้วยมนโนทวารที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมนโนทวารธรรมารมม์มนโนวิญญาณหัตถิวัตถุ